ที่เคยผิดบาปล่วงเกินนั้นด้วยเถิดข้าพระเจ้ายินดีนดให้อาภายัยให้อโหสิกรร ม, มแก่ทุกชีวิตวิญญา ณ, ท, ญญาณที่เคยผิดบาปล่วงเกินข้าพระเจ้าต่า ง, างฝ่ายต่างให้อาภายัย ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ในใจเรานะอโหสิกแรงๆเลยนะอโหสิกนะอโหสิทําเพื่อใจของเรานั่นก็คือให้อาภายัยเขาให้อโหสิกรรมเขาให้หมดให้สิน้นล้างออกไปแผ่เมตตาจิตแผ่ให้หมด ปราถนาให้ทุกชีวิตมิญญาณจงมีแต่ความสุขสงบลมเย็นเอาจากนั้นก็วาดตามอีกนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระธรรม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 ด้วยเถิดจากนั้นก็รวบรวมบุญนะรวบรวมบุญของเราเราต้องการให้บุญมากๆเพื่อจะอุทิศไปรวบรว ม, ว ม, วมบุญต่งตางๆอดีตจนถึงปัจจุบันรวมขโมยที่จิตใจของเราแล้วเราก็จะอาศัยอํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอุทิศบุญไปนี่ต้องการบุญให้มันมากๆขออํานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอํานาจพระสงฆ์ จงดุนบรันรดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เกียาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้เกียาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อแม่สามีพันยาลูกหลานพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าพเจ้า ให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในศาลานี้อยู่ในบริเวณนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านเรือนในที่ทำงานร้านค้าบริษัทคลินิกโรงงานโรงแรมไร่นาสวนที่ดินในสมบัติพัสถาน์ทุกชิน้นทุกอันของข้าพเจ้าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะ น, นี้ทุกชัน้นทุกภูขอท่านทั้งหลาย จงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าให้เพียงพอแก่ความต้องการตลอดเวลาตลอดไปด้วยเถิดแล้วก็ทำความรู้สึกบุญออกไปจากใจเรานะเราอยากจะเจอะจงบุญให้ใครเป็นพิเศษก็นึกถึงคนนั้นนะคนที่ร่วงรับไปอ่ะให้ให้ให้ให้ให้ใหให